ยืนหลักเป็นกรรมฐานต้นมี40สิกองกรรมฐานสี่สกองในแต่และกองก็มีคำรบรรนามากจะได้ว่าบรรดาท่านพริ ษ, ษัทการกระทําทั้งหมดย่อมเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือขึ้นต้นท่านให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกอันดับแรกให้ถือลมให้ใจเข้าออกเป็นเกณฑ์เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า หายใจออกรู้อยู่วหายใจออกถ้าขณะใดยังรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกเวลานั้นเชื่อว่าจิตในสมาธิเพราะคําว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจให้ตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกท่านเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐาน <c oughs> กรรมฐานบทนี้มีความสำคัญมากคือเป็นแม่บทของกรรมฐานทุกหมวดทุกกองกรรมฐานอีกสาที่เกกองกรกรมฐานทั้งหมดมี40กองอีกสาที่กองถ้าทิ้งนาปานุสติกรรมฐานจะไม่สามารถส่งสมาธิอยู่ได้ใ้รายการหนึ่งการรูล้ลมหายใจเขาออกที่เรียกว่านาปานุสติ พระพุทธเจ้าทรงถือว่ากรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานรับรับกายสังขารเรับทุกขเวทนาในเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับร่างกายถ้าจิตใจเข้าไปจับลมให้ใจเข้าออกถ้าจิตทรงตัวแค่อุปจาระสมาธิอย่างนี้ทุกขเวทนาจะบรรเทามากหากว่าท่านพูทใดเวลานั้นสามารถทําจิตทรงถึงปฐมฌานได้ ถจิตทรงตัวถึงปรมชานจะไม่ปรากฏรู้สึกทุกเวทนาเลยเป็นกรรมฐานกองนี้ถือว่าเป็นกรรมฐานที่มีความตํางัารพิเศษอย่างหนึง่ง <c oughs> นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ต้องทราบว่าเราจะทําเฉพาะสมาธิหรือปัจน า, านญาณอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้การเจริญกรรมฐานต้องทําพร้อมกันสามอย่างคือหนึ่งต้องศีลบริสุทธิ์ ถ้าสินบริสุทธิ์จิตมีความเยอมเือกเย็นอารมณ์ก็มีสมาธิความตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อความตั้งมั่นคือสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดรวมความเราต้องทำพร้อมกันทั้งสินสมาธิปัญญา <c oughs> ถ้าสินบกพร่องสมาธิก็ไม่ทรงตัวถ้าสมาธิไม่ทรงตัวปัญญาก็ไม่เกิด ต้การจะริงกรรมฐานต้นประกอบทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันก็การกระทำอย่างนี้แล้วมุ่งมักมุ่งผลอย่างน้อยที่สุดกมุ่งประโสดาปฏิผลถ้ารดับสูงสดมุ่งปฏิภาณ์คือความเป็นพระอรหันต์นี่ว่ากันถึงตอนต้นจะเหมือนกันทุกกองเหมือนกันหมดที้ต่อไปก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุธบริษัท ถึงการรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกความจริงเรื่องนี้ก็พูดกันทุกเที่ยวมีความจําเป็นการรู้ลมให้ใจเข้าใจออกจะมีสองแบบแบบมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นแบบหนึ่งก็แบบของกระพฐานสี่สิบอีแบบหนึ่งแบบมหาสติปัฐานสูตรท่านมุ่งสุขาวิปัสสโกใช้กําลังในสูง เนแต่เพียงว่าถ้าเราลงหัละถ้าให้ใจเข้าเราก็รู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อย่างนี้เป็นแบบของมหาติปฐานสูตรถ้าเป็นแบบกรรมฐานสี่สิบเพราะกรรมฐานสี่สบต้องมีทั้งสุขขัพิปสกโกติวิโชชาปิญโยปิชมิทัปโตหมดทั้งสี่หมวด เฉพาะมหาติรธฐานสูตรอย่าลืมว่าท่านเฉพาะสุ ข, ขวิปัสะโกและว่ากรรมฐานส0สิมีทั้งหมดสุ ข, ขวิปัสโกด้วยวิชาสามด้วยอภิญญาหกด้วยปิสิมิทายานด้วยพร้อมกันในกองนั้นฉะนั้นการขึ้นต้นด้วยนาปานุสติกรรมฐานรู้สึกจะยากสักหน่อยเพื่ออันดับแรกให้รู้ลไม่ใจเข้าใจออกเหมือนกันให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าสังเกตให้ดีนะ ให้ใจออกก็ดูอยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ที่จุดหนึ่งอันดับแรกเพิ่มต้นแล้วต่อไปก็ให้กำหนดรู้เราให้ใจเข้าออกทีให้สังเกตที่ริมที่ปากเวลาให้ใจออกเวลาให้ใจเข้าสังเกตที่จมูกเวลาให้ใจเข้าลมจะกระทบจมูกให้ใจออกลมจะกระทบริมที่ปากที่สาหรับกรรมฐานสี่สิท นี่เป็นตอนต้นแล้วไการที่สองลองต่อไปมีไหล่ใจเข้าลมกระทบจมูกและก็กระทบหน้าอกกระทบศสื้อเหนือสะดือนิดหน่อยนี่ต้องค่อ ย, อยๆอาจิตเข้าไปรับรู้จะมีความละเอียดมากขึ้นเวลาให้ใจออกลมกระทบเหนือเหนือศูนย์สะดือศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยและกระทบหนาอกกระทบดินที่ปากนี่เป็นเสื้ยวสังเกต รวมความว่าใหม่ๆก็บ ร, รรดายญาติโยมพระทวยสันไหลเอาขั้นตนก่อนเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้ า, าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกอันนี้ขั้นตน้นต่อไปถ้าจิตทรงตัวมากขึ้นนิดหน่อยอก็ให้สักเกตตามเวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ตาม <c oughs> อย่างนี้จะเกียๆขึ้นอ้าหากว่าจะกําหนดถึงหน้าอกด้วย ศูเหนือสะดือด้วยใหม่ๆจะยากแต่ว่าถ้าทําจนชินแล้วก็ไม่ยากสําหรับกรรมาฐานสีส่าิหายใจเข้ากําหนดกระลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบเหนอือสูนย์เหนือสะดือหายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบลิ้นที่ปากนี่ชื่อว่าเป็นความดีขั้นตนถ้าต่อไปถ้าจิตทรงฌานจริงๆลมไหลเข้าตั้งแต่จมูกกระทบตรงไหนรู้หมด ลมไหลออกจากศูนย์เหมือสะดือจะกระทบตรงไหนรู้หมดอย่างนี้ถือว่าการทรงชานเป็นชานชั้นสูงเกลื่องความว่าอย่างนี้ก็ขอเล่าสู่กันฟังนี้การจเจริญกรรมาฐานบรรดาแต่พุทธริษัททุกคนก็มุ่งมั่งมุ่งผลถ้าการจเจริญกรรมาฐานไม่มุ่งมั่งไม่มุ่งผลแล้วก็ทำเหนื่อยเปล่าทั้งนี้เพราะไรเพราะถ้ามุ่งเฉพาะชานโลกี ชานโลกีมีสภาพไม่แน่นอนถ้าร่างกายดีชาญก็ทรงตัวถ้าร่างกายไม่ดีชาญก็เสื่อมเป็นนว่าถ้ามีอการป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมาม า, มากชายก็ค่อยๆสลายตัวทีละน้อยไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ดีถ้าร่างกายมีความสุขชาญก็ทรงตัวดีแต่นี้อันแน่นอนไม่ได้ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชานลอกีที่ไม่ทรงตัวดีอย่างเก่งก็เกิดเป็นดลมหรือเกิดเปรติวดาได้เกิดเป็นนางฟ้าในะอย่างต่าอย่างสูงก็เกิดเป็นดลมแต่ถ้าว่าชาโลกีไม่สามารถปิดกั้นอบายภูมิได้ถ้าขณะใดที่เราจะตายถ้าจิตจับสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งเราตามอย่างน้อยเราก็ไปสวรรค์ได้ ถ้าจิตจับสมาธิเป็นฌานสมบัติก็ไปพรมได้แต่ไปนิพพานไม่ได้แต่ถ้าว่าถ้าหมดบุญวาสนาบารมีถ้าบาปเรยมีอยู่ก็พุ่งเหล่าลงมรกรื่นกันฉะนั้นเฉพาะฌานโลกีคบยากทําไปแต่โดยมากมักจะไปมั่วสมไปวนเวียนอยู่เฉพาะฌานโลกีอันนี้มันก็เหนื่อยด้วยผลก็ น, น้อยความดีก็ไม่ทรงตัว การปฏิบัติจริงๆต้องมุ่งความเป็นพระอริยเจ้าถ้าบอกว่าพระอริยเจ้าขงดายายโยพทุทธวิสัช์จะคิดเรายากเกินไป แ, แต่ความจริงพระอริยเจ้าเบื้องต้นนี่ไม่ยากถ้ามีความเข้าใจนะความเป็นพระอริยเจ้ามีสามมีสี่ตอนคือหนึ่งปัโสดาบันสองปัศกิทาคามีสพระน า, าคามีสี่พระรหัน์ แต่ว่าถ้าบุคคลผู้ใดทรงความเป็นประสดาบันได้อารมณ์ของความเป็นประสดาบันถนึงไม่ยังไงก็ตามจะไม่ยอมเสื่อมถึงขั้นอริยเจ้าจะไม่เสื่อมถึงแม้ว่าเราจะป่วยไข้มสบายขนาดไหนก็ตามทุกเวทนาจะมีขนาดไหนก็ตามอารมณ์นี้จะไม่ยอมเสื่อมแล้วความเป็นประโสดาบันขึ้นไปจะตัดอบัยวุมทั้งหมด ขึ้นที่ว่าบาปเก่าที่เราทำมาแล้วทุกอย่างไม่สามารถจะดึงเราไปอบายภูมิได้ท่านหลายก็จะเข้าจะถามว่าพระโสดาบันเขาทำยังไงพระโสดาบันก็ดีพระศีธาคามีก็ดีทำกรรมฐานแบบเบาๆไม่นับใช้แค่อนุสติคำว่าอนุสติแปลว่าตามนึกถึง ไม่ได้ใช้ฌานสมาบัตสูงเลยใช้ฌานต่ำมากยังยังสูงก็วัตถม่ฌานอนุสติที่มีสองขั้นคืออุปจารสมาธิกับวัตถม่ฌานอนุสติคืออารมณ์คิดใช่อารมณ์คิดมีสามฐานหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะอารมณ์คิดมีสามตอนขั้นที่หนึ่งคิดถึงร่างกายว่ามันจะต้องตาย ที่เรียกว่าส ก, กายติทิให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนแลสัตว์ทั้งหมดไม่สามารถจะทรงตัวได้ตลอดการตลอดสมัยในสุดมันก็ตายร่างกายเราก็ตายร่างกายชาวบ้านก็ตายเหมือนกันแล้วก็ใช้ปัญญานิดหนึ่งว่าถ้าความตายของเราจิตใจครบอกุศลนรรัรนท อโหสนธรรมก็จะนํางนลงไปขั้นต่ําคือไปอาบายภูมินรกเป็นตน้นถ้าจิตใจคบอโหสนธ ร, รรมอย่างตามความเป็นอโหสัก็เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นปฐมบ้างแกนั้นเราจะไม่ยอมให้อโหสลนครอบงำจิตวิธีที่ไม่อโหสันครอบงำจิตก็ต้องฝึกฝึกทําจิตให้ส่งตัวในการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ที่นั่นเอกว่าตักนิจิกิจฉาคือไม่สงสัยในความดีพรธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับตั้งขึ้ด้วยความจริงใจนี่เป็นการตัดสัญญาณข้อที่สองข้อที่สา ม, สามาศีลปตปรรมามรดักษาสินให้เคร่งรัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบโสโวดาบังสกิทาคำมีก็มีสินห้าเป็นพื้นฐานและประกอบไปด้วยกรรมบวิ กำบมดสิบนี้ท่านมีแน่อาจจะเอาสินห้าก่อนก็แล้วกันว่าสินห้าราการนี้เราจะไม่ยอมละเมิดทั้งต่อหน้ารับและรับหลังของคนจะเป็นเวลาไหนก็ตามในเมื่อทุกท่านเจริญมรณานุติกรรมฐานขึ้นนึกถึงความตายเป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์นี่ก็ไม่จําเป็นต้องคิดทุกลมไม่ใจเข้าออกเป็นเพียงตื่นขึ้นเช้าก็มีความรู้สึกว่าวันนี้อาจจะตายก็ได้ มันจะตายได้ยังก็ช่างเราจะส่งความดีไว้กัณ น, นบุญมันจะตายไม่ได้ก็ตามเราไม่ยอมลงนรกนั่นคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แค่การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในจิตใจเท่านี้ก็ไม่ตกนรกแล้วแล้วต่อไปก็จะยกกำแพงกัณ น, นบุญไม่ให้มัน่นคงนั่นคือมีศินหบริสุทธ ถ้ามีสินห้าบริสุทธิ์กดฟงก็แว่ากัณวอภัยภูมิทุกชาติเราไม่ลงนรกอีกนี้ถือว่าถึงวิธีปฏิบัติจริงๆที่ทำกล่าวในาบารลีว่าพระโสดาบันก็ดีพระสุธิทธาคามีก็ดีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธิ์นี่ถ้าเข้าใจตามนี้ก็ไม่หนัก พิธีปฏิบัติจริงๆก็คือว่านึกถึงความตายไว้ก่อนพอตื่นขึ้นมาเช้ายังไม่ทำอะไรตื่นใหม่ๆจิตใจกำลังมนสุขคิดว่าความตายย่อมมีแก่คนทุกคนเราก็ต้องตายเหมือนกันมัจะตายเมื่อไรช่างมันแต่ว่าวันนี้จะทรงความดีไว้คือตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าคือยอมยอมกลับไหวท่านยอมารการพกระทั่งกรกพระอริยสง แล้วก็มีจิตคิดว่าขึ้นชื่อเวสสินห้ารายการมีอะไรบ้างมีปานาธิบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะไม่ยอมละเมิดเด็ดขาดข้ดขอสําคัญก็อยู่ที่ศีลตัวเดียวนอกนั้นเรามีครบแล้วการนึกถึงความตายทุกคนก็คิดอยู่แล้วการยอมรับเห น, นืนับถือพระพุทเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทุกคนที่นั่งที่นี่ยอมรับอยู่แล้ว ก็รวงความสังก็สัยอดสองข้อเราตัดได้แล้วเหลื อ, อข้อเดียวคือข้อที่สามคือศีลปฏิตาปรามาตยต่อไปก็ระวังขั้นศีลให้ทรงตัวนี่พูดไปพูดมาเวลาหมดไปส5บนาทีรู้เรื่องมหมเนี่ยฉันพูดแล้วฉันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขอเอานิทานมาเล่าสู่กันฟังดีไหมเป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆนะรือ <c oughs> ว่าในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ เวลานั้นสมเด็จพระบรมครูตอนเช้ามืดเห็นอุปนิสัตตัวอุปนิปนสัยของสัตว์ก็ทราบว่าชาวเมืองอาราวียังมีเด็กหญิงคนหนึ่งลูกสาวคนนายช่างหูกซึ่งมีอายุ16บหปีเป็นคนที่มีวาสนาบารมีมีการเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติความดีในตอนต้นเธอมีความก ต, ตัญญูตเวทีมาก เมื่อทราบแล้วสมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าก็ห่อไปองคเดียวไปนั่งอยู่ที่กิ่งไม้เมื่อไม้มันทอดลงมาชาวบ้านทราบเข้าก็มาปักพากับมหาพระเจ้าข้าวมาถวายของพระถวายแต่ว่าท่านตั้งใจไปสังเเพระเฉพาะเด็กหญิงคนนี้ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อ <c oughs> เด็กหญิงคนนี้มาแล้วก็ส่ง เมื่อฉันเสร็จก็เทศโปรดการเทศพระองค์ก็ทรงแนะนำยังไงย่อๆ <c oughs> ว่าขอทุกคนอย่าคิดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงยให้ทุกคนทรงความดีไวอย่างน้อยก็ทรงสินห้าให้บริสุทธิ์กรณีเป็นต้นๆๆเมื่อเทศอย่า ง, งย่อๆแ ล, ล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จกลับทุกคนก็กลับบ้าน แปลว่าท่านผู้ใหญ่ทุกคนที่ฟังเทศน์วันนั้นปรากฏคนทุกคนเขาจะจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบแต่ไม่มีใครปฏิบัติตามก็มีการปฏิบัติตามอยู่เฉพาะเด็กหญิงคนนั้นคนเดียวคือเพรศการีเธอมีความรู้สึกว่าพระเจ้าทรงสงเคราะห์เธอท่านบอกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขึ้นเชื่อว่าความตายยังมีกับเราในวันนี้ก็ได้ในคิดอย่างนี้เสมอ หลังจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทรงความดีนึกถึงพระถึงพระเจ้าึถึงพ ร, ระพุทธเจ้าเป็นสระเป็นที่พึ่งและก็ท่งสินหาบริสุทธิ์มีความกตัญญูรู้คุณบวดามันดามันดาตายแล้วจำเลเฉพาะวิดาแต่ว่าการปฏิบัติของเธอยังไม่เป็นพระอริยเจ้าต่อมาเมื่อายุ19ปีผ่านมาสามปีเวลาผ่านไปวันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตร ตัวทุนิสัยขงสัตว์ตอนเวลาเช้ามืดก็พบหน้าเด็กหญิงคนนี้อีกพร ะ, ยยพระองค์ ก, ก็สงสัยว่าเด็กสาวคนนี้เมื่อสามปีเราเคยพบครั้งหนึ่งแต่วันนี้เข้าตกกอยู่ในขายพยานเป็นเพราะอะไรก็พิจารณาต่อไปก็ทรงทราบว่าเด็กสาวคนนี้วันพรุ่งนี้คือสว่างตอนสว่างเนี่ยตอนสายเธอจะต้องตาย <c oughs> องค์มาตรวจต่อไปว่าการตายของเธอจะมีคติแน่นอนหรือไม่แน่นอนคำ ว, ว่าแน่นอนก็หมายความว่าไม่มีการลงอบายภูมิกันไปเฉพาะสะวรรค์ขุมโลกนั้นานตรงไปเลยก็ทรงทราบว่าเธอถ้าตายวันนี้มีคติไม่แน่นอนจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปนรกก็ได้ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าถ้าเราจะช่วยเธอจะช่วยได้ไหม ก็ทรงทราบว่าถ้าช่วยเธอต้องถามปัญหาสี่ข้อเมื่อถามปัญหาสีข้อแต่และข้อถ้าเธอตอบ ถ, ถ, ถ, ถูกให้ระยอมรับระษาทุกวดีแล้วถูกแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เมื่อครบสี่ข้อเธอจะทรงความเป็นพระโสดาบัน <c oughs> และตอนสายเธอตายแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อพระพูทมีพระภาคเจ้าทรางรารอย่างนี้แล้วสมเด็จพระประัณฑิแก้ว ก็ไปองค์เดียวเหมือนกันถือเจอยผมจีวนแล้วก็ถือบาทเอกะบรรยากาศพอใกล้เย็ถึงกระฐานที่ก็ลงลงก็นั่งที่กิ่งไม้ที่เดิมชาวบ้านพอทราบเข้าต่างคนก็ต่างมาเฝ้ า, ามาหานำอาหารพัตตาหารมาถวายแต่ถ้าว่าวันนั้นเมื่ออืนเปยศการีพ่อเธอสัง่งเธอพ่อเธอสั่งว่าวันพรุ่งนี้ท่านลูกจะนำข้าวไปพ่อที่โรงทอผูก ย้งนำหลอดอก็าอกรอได้ไปให้พ่อดูดพราะได้ที่มันจะทอผ้าจะหมดพอดีที่พทธเจ้าท่านพักท่านนั่งอยู่คล่อมทางคือบ้านเธออยู่ทางนี้พระพุทธเจ้านั่งกลางแล้วก็ทางโน้นคือลงทอหุบเป็นทางผ่านไปลง <c oughs> ปทอหุ <c oughs> ตอนวันนั้นเธอทราบว่าพุทธเจ้าสเสด็จมา <c oughs> ก็คิดว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า <c oughs> แต่ก็ต้องกรอได้ให้พ่อซยก่อนมันก็สายไป คิดในใจว่าถ้าวันนี้ถ้าเราไปเราไปฟ้าพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ไปหาพ่อสายเกินไปพ่ออาจจะด่าหรือตีก็ได้ถ้าว่าเราไปหาพ่อก่อนมันสายเกินไปพระเจ้าอาจจะกลับก็ได้ไดดการพบพระพุทธเจ้าเป็นของยากฉะนั้นยิงตัดสินใจว่าพ่อจะโกรธจะดา่าจะตีก็ไ่้ถามขอพ่อพระพุทธเจ้าก่อนเพราะมาสามปีครบแล้วครั้งหนึ่งวันนี้มีโอกาสจะเจอพบอีกครั้ง ในเมื่อเธอตัดสินใจอย่างนั้นแล้วกลอได้เสร็จก็ตั้งใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเธอไปนันสายไปแต่พระพุทธเจ้ายังไม่กลับในตอนนั้นมันเมื่อชาว บ, บ้านเข้าของมาแต่ไหวเขาแต่ไหวท่วานกฉันฉันเสร็จตามธรรมดาพระพุทธเจ้าสันเสร็จก็ส่งบาตรให้ใครคนใดคนหนึ่ง <c oughs> เมื่อทรงบาตรให้เขาแล้วก็ส่งเทศแต่วันนั้นท่านฉันเสร็จท่านถือบาตรไว้ถ้าไม่ยอมส่งให้ใคร ท่านมองดูไม่เห็นเปตะกาลีไปทั้งกำลนนังใจใจว่าขึ้นเราตั้งใจมาเพื่อบุคคลผู้ใดถ้าบุคคลผู้นั้นยังไม่มาเราจะยังไม่เทศในขณะนั้นเองก็แปลกรเปตกาลีเธอเข้าไปถึงเมื่อเข้าไปถึงก็ต้องนั่งอยู่ข้างหลังเขาเพราะพระพเจ้าเห็เธอนั่งไกลก็มองหน้าเธอเมื่อมองหน้าเธอได้ใส่ที่มีปรรัญญาเธอก็ทราบว่าพระเจ้าต้องการให้เข้าไปใกล้ เมื่อเธอเข้าไปนั่งใกล้แล้วองค์สมเด็จพระจามไตรก็ส่งจัดว่าฟาดกี่นิดดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ายท่านถามว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ายท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบเจ้าค่ายท่านถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเจ้าค่ายเป็นไงหน้าตกปาดไหม ถ้าตกเธอไม่ได้ก็ตกปากเราแทนกันแล้วกันนะเออในเมื่อเธอตอบสามสี่คำแบบนี้ชาวบ้านนี่เป็นผู้ใหญ่กว่ากเอ๊ะไอ้อวยวายหาว่าอีเด็กจังไรยล้อเลียนตรวพระเจ้าซึ่งมีชาวบ้านขาน้ำสีพระพุทเจ้าก็ทรงห้ามบอกชาวก่อนชาวก่อนจะเพิ่งว่ากันสอบสอบผลให้ก่อนท่านกลับย้อนถามใหม่ว่าพฤกิณิโดยก่อนน้องหญิง ที่ตถาคตถามเธอว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบจะหมายความไปยังไงเธอก็กราบทูลว่าการที่หมอมฉันมาจากบ้าน<ม>พระองค์ท่านทราบในพุทธยานแล้ว <c oughs> แต่คำถามไม่ได้หมายที่อย่างนั้นหมายว่าก่อนที่จะมาเกิดหมอมฉันมาจากไหน <c oughs> มาจากสวรรค์หรือ <c oughs> มาจากพรทมโลกมาจากนรกมาเป็นจากเปรตกายจากมนุษย์หมอมฉันไม่ทราบเพียงเท่านี้ พระเจ้าให้สาธุการยกมือกนมอสองมือสาธุถูกแล้วถูกแล้วต่อไปก็ทรงถามต่อไปว่าข้อที่สองที่สามก็ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบในหมายความอย่างไงเธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันจะไปโรงท่อหูกะองค์ทราบเดินหน้าปุถยายนาแล้วแต่ว่าคําถามไม่ได้หมายความในอย่างนั้นหมายภาว่าถ้าตายจ่ายชาตินี้จะไปนรกและไปสวรรค์ข้อนี้หม่อมฉันไม่ทราบเจ้าข้า กเป็นระหว่าพระเจ้าให้สาธุการวมาดีแล้วถูกได้หนึครั้งหนึ่งต่อมาก็ถางทรงถามว่าข้อที่สามฉันถามเธอว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบหมายความว่ายังไงเธอก็ตอบว่าที่บอกว่าทราบก็หมายความทราบบ่ชาตินี้ต้องตายแน่ยังไงไงก็ต้องตายพระเจ้าทรงยกมือสาธุกแต่ก็ถามว่าข้อที่สีเมื่อข้อที่สามเธอตอบว่าทราบข้อที่สีายก็ถามว่าเธอทราบไหมเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความยังไง เด็ก็ตอบว่าข้อที่สีที่ถามว่าทราบหรือที่ตอบไม่ทราบพผมว่าถ้าตายแล้วจะตายเมื่อไร่ตายเช้าตายสายตายบ่ายเที่ยงตายกลางคืนแต่ยกงวันหม่อมฉันไม่ทราบบรรยากาศรู่เพียงว่าตายแร้วพระเจ้าก็ให้สาธุการสี่ครั้งเธอก็มรุสโสาดาบัานตนเองแต่ความจริงทุกอย่างเขาพร้อมแล้วนะความในผู้มีศีลบริสุทธิ์เขาบริสุทธิ์แล้ว การครบแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เขามีแล้วเขาแยกขาดนิดเดียวคือนั่นมรณารัศดิกามัฐานยังต้องอยู่นิดหน่อยในเมื่อพระพุทธเจ้ามาทรงซ้อมแบบนั้นเข้าความมั่นใจก็เกิดชื่ว่าสังโยสานักการครบถ้วนตัดได้ครบถ้วนคืนหนึ่งส ก, กา ย, ยติมีความรู้สึกว่าชีวิตนีต้ต้องตายเขาตัดได้แล้วด้วยความรู้สึกตามนั้นข้อที่สองยอมรับนาถิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เขามีจริงแน่นอน พ่อที่สก็มีศีลบริสุทธิ์แน่อนอนก็ชื่อว่าเป็นปสุวดาบัน <c oughs> <c oughs> ในเมื่อเป็นสากาลีเป็นปสุวดาบันพื่อเจ้าเวลากลับเ <c oughs> ชาวบ้านก็กลับเธอก็เดินตรงต่อไปถึงไปลงทอหูของพ่อพ่อดังเวลาเช้าลุกมาทอหูพอลูกสาววันนั้นก็สายเกินไป นั่งทอหูไปมันความหิวก็เกิดขึ้นในะที่สุดก็เพียบเพียก็หลับคาหูมือซ้ายกลมฟืมอยู่พร้อมที่จะกระทบมือฝาถีก็สวยพร้อมจะพุ่งก็ไม่ทันกระทบไม่ทันพุ่งหลับคาหูก็พอดีลูกสาวเดินไปไม่ทันสังเกตก็เอาตัวไปกระทบปลายฟืมเข้าปลายฟืมไว้ อาศัยที่ตั้งพ่อตั้งใจไว้ก่อนจะตายว่า่าพุ่งก็สวยก็พุ่งเมื่อตื่นมารู้สึกตัวมือก็พุ่งกระสวยโดยแรงและกระทบปืนโดยแรงทั้งสองอย่างก็สวยไปถูกอกลูกสาวเข้าแล้วกอดกระปืนที่กระทบกับมาก็แรงตนเธอล้มไปขาดใจตายทีนั้นเป็นนะว่าเธอตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าบทบันสวรรค์ชั้นดุสิตสาหรับท่านพ่อเห็นลูกสาวตายก็ร้องไห้ เพราะว่าแม่ก็ตายไปในไม่ช้านี่ต่อมารกสายก็ตายอีกเป็นคนหมดตัวเมื่อทำชาปนกิจแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงความเศร้าโศกพระเจ้าทรงตรัสว่าความมโนดูก่อนพราหม์เธอทั้งคลายสงสึกความเศร้าโศกของเธออย่างนี้น้ําตาที่ไหลเพราะความเศร้าโศกแบบนี้ถ้าจะรวบรวมมาทั้งทุกชาติแล้วก็มากก็ยัมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ เป็นนึ้งขันที่ว่าการเวียนไห ว, วตายเกิดนวัตตายังคบความสร้างโสงศอย่างนี้เสมอจะรวงความว่าพราม์เมื่อฟังเทศะเจ้าแล้วข้อพระเสกาลีนะก็เป็นพราหมณ์ ก, ก็ไม่ช้าก็มรรดราตําบนิรันดรายาโยงพระบริษัททุกคนความเป็นมาโสดาบันก็มีความสําคัญอยู่หนึ่งไม่นึกไม่ลืมความตายมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายนะ แต่เมื่อนึกถึงความตายก็อย่าไปท้อแท้ใจก็ไม่มีกําลังประกอบกิจการงานอันนี้ไม่ถูกงานที่ทําจําจะต้องทําเพื่อมีความเป็นอยู่เป็นสุขแต่คิดว่ามันจะตายเ ม, มื่อไรก็เป็นเรื่องของร่างกายเป็นของธรรมาดา <Okay. S 1> ก่อนหน้าจะตายก็ต้องป้องกันการตกตะลกุกคือป้องกันใยการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ แล้วก็ใช้กำแพงก้งาาวบาเยปุมจะไม่ลงมันอีกถ้าเกิดเป็นคนทุกชาตินั่นคือมีศีลห้าบริสุทธิ์จากนั้นเวลาที่ท่านจเจริญกรรมาฐานรเริ่มต้นในลมหายใจเขาออกดีแล้วก็ภาวนาคำภาวนาจะภาวนาว่ายังไงอันนี้ไม่จำกัดไม่ห้ามนะสัดาสุขเวสสโกใจคำนาว่าพุทโธก็ดีง่ายดีง่ายดีและมีอนุภาพมากมีอิสวงมากม พอจิตเริ่มเป็นสุกละภาวนาใช้ปัญญาครญบเจาช่วยพิจารณาที่ร่างกายว่าร่างกายเราสักวันหนึ่งมันต้องตายแน่เราต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอก็ประกอบความดีนึกถึงความดีของพระเจ้าความดีก็ทำคำสั่งสอนพระเจ้าความดีของพระอริยสง์ ให้จิตใจมีความปลื้มใจมีความเลื่มสายสตาที่แม่นคงอย่าคลายอันนี้ป้องกันป้องกันป้องกันนรกได้ล้วต่อไปคิดว่าเราจะมีการท่งตัวไม่ยอมไปใบจุลสารการนั่นคือท่งขินห้าสำหรับขินห้าทบรรดาท่านบริษัททุกคนเนื้มัดทีบกพรองทั้งห้อ<ม>ก็มีหลายข้อที่แต่ส่งตัวอยู่แล้วก็ย้ายมันขาด ข้าสิงข้อใดจะมีการบกพร่องระอมัตตบงังเฉพาะคอดันภายในไม่ชาก็สามารถส่งตัวรักษาชิ้นห้าได้เมื่อทรงตัวรักษาชิ้นห้าได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านเป็นปะโสดาบันนีบาปเกา่าๆใดๆเทปบทที่ทำไว้ตั้งชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีไม่มีโอกาสที่นำเราเป็นอบายภูมิอีกกระเบรดาท่านพุทธบริษัทเวลาหมดก็ดีตอนนี้ไปกระเบนดาท่านพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศินสมาทานเป็นกรรมฐาน